ทำทั้งหลายมาจากเหตุเราต้องรู้จักรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิด น, นมามธรรมก็มีเหตุให้เกิดไม่มีอะไรลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเลยสิ่งที่นอกเหตุเหนผลมีอันเดียวคือพระนิพพานกระทั่งเวลามักผลนะมักผลก็เป็นเหตุกับผล มรรคก็เป็นโลกุตระเหตุผลเป็นโลกุตระผลอะไรยังมีเหตุมีผลอยู่เกิดได้ก็ยังดับได้อยู่สิ่งที่นอกเหตุเหนือผลมีอันเดียวก็คือพระนิพพานนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเต็มโลกธาตุอยู่นิพพานอยู่ต่อหน้าตาอตาเราแต่เรามองไม่เห็น ใจเราไม่มีคุณภาพใจเรามีคุณภาพระดับไหนนะเราก็เห็นสิ่งภายนอกในระดับนั้นอย่างบางวันจิตใจเราเศร้าหมองนะโลกทั้งโลกก็ดูเศร้าหมองไปหมมันดูออกมาจากใจที่เศร้าหมองโลกก็เลยดูเศร้าหมองวันไหนเราผ่องใสนะเราดูโลกด้วยใจที่ผ่องใสโลกดูผ่องใสจริงโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างน้นะ ไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้ผ่องใสในใจเรามันไม่เหมือนกันถ้าใจเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความปรุงแต่งมันจะไปเห็นนิพพานมีคุณภาพพอใจมีคุณภาพระดับไหนก็เห็นสิ่งภายนอกนะระดับนั้นใจไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งเห็นนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความดิ้นรนปรุงแตง่งไม่มีทุกข์ของมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็ น, นมาพัฒนาดวงตาให้มีดวงตาที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะท่านหวังว่าคนมีดวงตาจะเห็นเหมือนจุดไฟในที่มืดเกิดแสงสว่างขึ้นแนะว่าคนมีดวงตาจะเห็น การจุดไฟของท่านก็คือการประกาศธรรมะบอกพิธีปฏิบัติให้เราเมื่อเราฝึกไปนะเรามีดวงตาขึ้นเมื่อไหร่เราก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะีนะ่ะไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้แต่ต้องทำจริงทำรอร อ, ลอแล้วแหละวันนี้ภาวนาอีกเดือนหนึ่งขี้เกียจขึ้นมาภาวนาใหม่ไม่ได้กินหรอกธรรมะไม่ใช่ของคนอ่อนแอ ไม่ใช่ของคนทอ้อแท้ธรรมะเป็นของคนต้องต่อสู้เอาต้องเข้มแข็งคนโบราณสร้างพระพุทธรูปนะเราสื่อธรรมะไว้หลายอย่างนี่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยวิวจารณ์ดูจากพุทธศินของคนแต่ละยุคเนี่ยจะมองพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปออกมาแล้วก็มองธรรมะแตกต่างกันเชียงแสนนะพระเชียงแสนจะอ้วน้วนยิ้มอ้ว น, ว น, วน ธรรมะเป็นความอิ่มเอิบ พ, พระสุโขทัยนะพระจะเบาปลิ้วไหวธรรมะเป็นเรื่องโปร่งเบาพระอู่ทองน่าจะเหลี่ยมเหลี่ยมดุดุออธรรมะเป็นเรื่องจริงจังถูกทุกคนเลยเนาะถูกทุกมุมมองทูกหมดอะแต่มันถูกคนละที ตอนนี้พวกเราอย่าเพิ่งเป็นพระเชียงแสนนะตอนนี้เป็นพระอู่ทองก่อนสู้ก่อนเอาไว้รับฝนแะล้วก็อิ่มเบิบสบายมีชีวิตที่ปร่งเบาแบบพระสุขโขทยัยพระเชียงแสนสุขโขทยัยสัญลักษณ์ของความปร่งเบาไม่ยึดติดเชียงแสนสัญลักษณ์ของความอิ่มเอิบเบิกบานนะอู่ทองสัญลักษณ์ของความจริงจัง ตอนนี้ต้องจริงจังก่อนเบื้องต้ น, ตนขี้เกียจไม่ได้เวลาส่งกันบ้านนะใครมาส่งว่าขี้เกียจนะหลวงพ่อไม่อยากคุยด้วยนะพูดตรงๆนะขี้เกียจคุยด้วยเองขี้เกียจภาวนาข้าก็ขี้เกียจคุยด้วยสอนเหมือนสอนวัวสอนควายสอนแล้วไม่ทำํำมนสอนทําไมเสียเวลาเสียเวลาเหนื่อยเราเปล่าๆหลวงพ่อเรียนอจากครูบาอาจารย์ันะไม่เคยต้องให้ครูบาอาจารย์มาเร่งเราให้ปฏิบัติเลยนะ ท่านสั่งให้ทําอะไรทามทาทําไปทุกวี่ทุกวันนะทำล้มลุกลุกครานบางคราวภาวนานะแทบน้าตาตกไหนภาวนาแล้วทําไม่ได้สักทีไม่ดีสักทีสมัยก่อนก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นล้มลุ ก, ล, กลุกครานลําบากแค่ไหนก็ท้อทนนะไม่เลิอกอย่างเดียวอนะอาศัยอดทนเนาะงั้นเวลาส่งกันบ้านนะถ้าขี้เกียจอย่ายกมือเลยนะ หัดขี้เกียจยกมือซะบ้างถ้าขี้เกียจภาวนากนะ็ให้ขี้เกียจยกมือนะเพราหลวงพ่อขี้เกียจตอบเหนื่อยเราเปลาเร า, เราแต่ถ้าภาวนานะมีปัญหาติดขัดจริงๆต้องการความช่วยเหลือจริงจริงนะโอ้หลวงพ่อเต็มใจช่วยนะเมื่อก่อนเคยสอนเพื่อนๆ น, นบางคนนะสอนแทบจะโต้รุ่งเลยนะให้แก้กรรมาฐานใหนะ้เหนื่อยไงก็ยอม แต่พวกถามเล่นไม่เอาถามเพราะอยากดังก็อย่าถามในเสียเวลาปวดกิเลสเปล่ า, ลาบางคนต้องยกมือทุกครั้งถามทุกครั้งอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากคิดมาว่าคำถามอย่างเงี้ยเจ๋งแล้วมาถามคนฟังเขาจะอูห้หูถ้าฟังเป็นเอ้ยไม่อู้หูเลยบอกเอ้ยแค่นิ่งเหรอนะคิดเอาคิดเอาแล้วถามไปวิจิตพิสดาร เนื้อไหนไม่มีเรียนธรรมะไม่ได้เรียนเอาเด่นเอาดังเรียนขัดเกลาตัวเองนะถ้าขัดเกลาตัวเองได้ที่วันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษถ้าบุญบา ร, รมีเราเต็มแก่รอบนะเราจะได้ถึงพระนิพพานในชีวิตนี้ถึงไม่ได้ทรงพระนิพพานอยู่นะไม่ได้เป็นพระราหันนะให้มันได้โสดาไว้เป็นพระโสดาบันไม่ยากเกินไป โสดา บ, บันไม่ได้ล้า ก, กิเลสอะไรเลยนะล้าความเห็นผิดเท่านั้นอนะ่ะไม่ได้ล้าความยึดถืออะไรหรอกล้าความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรามีตัวเราก็ดูของจริงลงไปเลยไม่มีตัวเราร่างกายก็เป็นประตูธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นวิญญาณธ า, าตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนกันหัดดูบ่อยบ่อยดูไปเรื่อยก็เห็นเองไม่ใช่เรา จะยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีก็เป็นพระโ ส, สดาบันเป็นพระโสดาบันเราปลอดภัยแล้วเที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตชาตินี้ยังไม่รู้แต่ชาติหน้าต้องจบแน่ๆต่อๆไปนะไม่กี่ชาติก็จะจบแล้วเราเวียนตายเวียนเกิดนานมากเคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านอยากรู้ว่าเฉพาะกับนี้เนี่ยท่านเป็นคนกี่ครั้ง นั่งสมาธินะกําหนดตั้งคําถามเวลาอยากรู้อยากเห็นอะไรนะตั้งคําถามแล้วก็นั่งสมาธิอย่าไปนึกถึงมันนะห้ามนึกถึงลืมมันไปเลยแล้วก็ทําสมาธิไปเธอจิตรวมปุบจิตแสดงให้ดูหาคําตอบให้ดูเห็นหัวกะโหลกกองเท่าภูเขาเลยะแค่กลับเดียวนะเฉพาะที่เป็นคนด้วยเฉพาะที่เป็นมนุษย์ด้วยแต่บางคนกลับหนึ่งยังไม่ได้เป็นมนุษย์เลยไม่มีหัวกะโหลกอ เวียนตายเวียนเกิดยาวเยอะแยะงั้นได้โสดาแล้วเหลือเจ็ชาติเนี้ยนิดเดียวนะนิดเดียวเหมือนกรบพริบตาทีเดียวเองสั้นนิดเดียวเทียบกับสารสละวัตอันยาวไกลฝึกให้ได้นะอย่างน้อยเอาหาโสดาบันให้ได้อย่าไปคิดว่ายากไม่ยากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทามันให้ได้ทุกวัน รักษาศีลห้าเป็นพ uh ื huh. ้นฐานไว้พยายามรักษาศีลห้าให้มั่นคงรักษาศีลห้าแล้วมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาดูกายทำงานดูใจทำงานใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ดูอยู่ห่างๆไม่นานนะคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรไม่นานก็เข้าใจแล้วตัวเราไม่มี เคมีพระองค์หนึ่งนะไปเรียนจากโลงพูดุลนะท่านภาวนาแต่ท่านไม่ได้อยู่วัดหลงพุดุล น, นะท่านไปอยู่วัดสาขาภาวนาไปเรื่อยๆบวชได้เจ็ดวันนะจิตรวมลงไปตกกลางคืนนะจิตรวมไปว่างหมดเลยพอนะจิตว่างหมดเลยท่านก็ถามพระในวัดว่าจิตท่านเป็นอะไรมันว่างไปหมดเลยพระบอกโอ้จิตเป็นนิโรธ ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องจิตเป็นนิโรธเป็นยังไงอะใจก็คิดอยู่ยด้วยว่าจิตเป็นนิโรธเป็นไงนาะดูไม่ออกอยากกันนั้นเลยไปถามหลวงปู่ดีกว่านะเดินตัดทุ่งมาไปถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่หลวงปูงป่จิตผมมันเป็นนิโรธห <c oughs> ลวงปู่ตะหวาดใส่เฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรท่านจะสลัดความรู้สึกว่าจิตเป็นนิโรธทิ้งนะ หยุดความคิดนึกปรุงแต่งนะเห็นแต่ว่าออทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับทั้งสิ้นเลย น, นั่นภาวนาน ะ, นะไม่ยากเกินไปที่พวกเราจะเห็นนะว่าตัวเราไม่มีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรตัวตนถาวรไม่มีแต่โดยธรรมชาติของปุถุชนจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่ง ในนี้มีเราทุกวันมีเราอยู่คนหนึ่ง น, นี่จะเป็นความรู้สึกของปุถุชนอยู่แลมาพภาวนาดูความจริงของกายดูความจริงของใจดูมากเข้ามากเข้าก็เห็นนะจิตมันยอมรับนะตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปรนามรูปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้รูปบางอย่างเกิดจากจิตก็ได้นะรูปบางอย่างเกิดจากจิตสั่งให้เกิดก็ได้รูปยืนเดินนั่งนอนนี่จิตสั่งให้เกิด รูปบางอย่างก็เป็นวัตถุธาตุมีธาตุบางอย่างเกิดจากกรรมทำไมเราหน้าตาอย่างนี้เป็นรูปที่ได้ม า, านี้ได้มาด้วยกรรมกรรมที่ทำให้เรามีหน้าตาอย่างนี้นชื่อชนะ ก, กรรมชนกชนกที่แปลว่าพ่อนี่รูปได้มานด้วยเหตุสี่อย่างนำมาทำทั้งหลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเหตุของมัน เราเฝ้ารู้ฝ้าดูไปเห็นเลยทุกอย่างมีเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรไม่ยากที่จะเห็นนะขยันดูไหนก็แล้วกันแต่ดูให้เป็นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเงาไม่ใช่ลืมกายลืมใจนะรักษาศีห้าไว้ก่อนแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆ อ, อย่าใจรอยพอรู้สึกตัวได้นะดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานดูไปสบายสบาย ดูด้วยจิตที่เป็นกลางดยด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆเหมือนคนดูหนังดูละครนะไม่หลงเข้าไปอยู่ในจอหนังไม่หลงไปอยู่ในเวทีละครนั่งดูสบายๆก็จะเห็นความจริงทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความโลภความโกรธความหลงมาแล้วก็ไปมีอยู่แค่นั้นเองดูไปจนเห็นความจริงทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างเกิดดับ เห็นอย่างนี้ก็ได้โสดานะไม่เกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีศีลมีธรร ม, ม, รรมจะทำได้มนุษย์ทุศรรีลทำไม่ได้เอาใครจะส่งกันบ้านตามความจําเป็นมัง้งมีไหมวันนี้เอาจําเป็นนะให้คนอยู่วัดก่อนเอาว่ามาพิธีกายครัหลวงพ่อมาอยู่วัดนี่ก็ มีการต่อเนื่องมากขึ้นไปอยู่บ้านค่ะ<ม>แล้วก็มันก็ฟุ้งซ่านเป็นช่วงๆสั้นๆแต่เมื่อคืนนี้ก็ฟุ้งซ่านมากกว่าต่อกลางวัน<ม>แต่มันก็เป็นช่วงสั้นๆว<ม>ันนี้ตอนที่สวดมนต์เนี่ยนะคะช่วงนี้จะใช้การสวรดมนต์เป็นวิหารธรรมเยอะหน่อยค่ะสวดอิติปิโสพระกวาพอสวดไปสวดไปมันก็เหมือนกับว่าบทสวดมนต์ทำไมมันอยู่ห่างๆที่เราท<ม>ี่เราสวดนะคมันอยู่ห่างออกไป<ม><ม>แต่มันมีผู้รู้สวดมนต์แล้วมันก็เล มันก็สวดไม่ผิดด้วยนะคะมันอยู่ห่างๆแล้วมันประกายเกิดอะไรขึ้นมันก็กลับมารู้บางทีมันปวดขามันกลับมารู้ปุ๊บเป็การปวดขามันก็เห็นการเกิดดับที่ตรงที่มันปวดนั่นแหละนะทําได้แล้วทาเป็นแล้วทำไปทาถูกแล้ว่ะเราสวดมนต์นะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะที่เห็นเลยคําสวดมนต์อยู่ห่างๆไม่ใช่จิตหรเหมือนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าบทสวดมนต์มันเลืยขึ้นมานะอยู่ห่างๆไม่เข้าถึงจิต ถ้าตัวผู้รู้ก็เกิดขึ้นถ้าตัวผู้รู้เกิดแล้วนะั้นดูธาตุดูขันนะั้ะมีแต่ไม่ใช่ตัวเราสักกันเดียวนะถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูอะไรก็เป็นเราอย่างน้อยก็เป็นเราดูนะถ้าตั้งมั่นแล้วไม่มีเราแนละ้วขอบคุณค่ะน้ำสการครับอาจารย์ก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับแต่จริงๆล้วอยู่ที่บ้านก็ก็พยายาม พยายามไม่ไปไหนอแต่ก็บางครั้งก็ตามกิเลสไปบ้างนะครับก็อยู่ที่บ้านกับอยู่ที่นี่จริงๆอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันก็คล้ายกันในแง่ที่ว่าเราก็ไม่มีกิจกรรมอะไร ม, มากแต่ว่ามีความรู้สึกว่าบางครั้งกิจกรรมที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องโลกโลกแต่บางครั้งเรารู้สึกว่ามันก็ก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละที่เราคิดแล้วก็ทํามันขึ้นมาเรามีสตินะมีสติไปเรื่อย แยกธาดุแยกขันดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยนะไปฝึกต่อแปะดีแล้วละแต่จิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆถ้าจิตยังกระจายกว้างๆออกไปยังแรงไม่พอนะตมาฝึกจิตไหลไปลรไลเรารู้ไหลยเรารู้มีตั้งเข้ามางั้นจะกระจายกว้างๆแต่ถ้าอยู่ๆจะให้ตั้งนะจะกลายเป็นบังคับจะแน่นไปตึงเกินไป อย่าให้ตึงไปอย่าให้หย่อนไปหย่อนไปน่าใจกว้างสบายลืมตัวเองออกไปเปลินตึงเกินไปนะกลัวมันจะออกก็ดึงเข้าไปนะตึงเกินถ้าไม่สุดตรงสองข้างก็พอดีเองหละง่ายนะฟังละอ่ะตอไปเวลาถามหลวงพ่อนะนี่ไม่ได้ว่าหนูนะถึงบอกทั่วๆกันนะบางคนนะ่ะเล่ายาวๆนะเพื่อนฟังเนี่ยนะโทรศาเกิด72บครั้ง ไม่ต้องเล่ายาวดอกสองคนอ่ะว่ามาการมรดกการหลวงพ่อค่ะมามาส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อคือที่ผ่านมามันมันหลงกับโลกอะค่ะแล้วก็คือการงานก็คือตอนนี้งานยุ่งด้วยค่ะดีมีงานทํา <laughs> ก็คือหลงกับโลกแต่ก็ว่าทําในปฏิบัติทุกเช้าค่ะดีทีนี้รู้สึกนะเนี<ง>่ยพัดส่งเด็ชไม่ได้นะแล้วต้องรู้สึกค่ะก็คือ มีอยู่สองครั้งนะคะก็ฟังหลวงก็วิ่งบนสาพานนะคะแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทศไปด้วยะคะ่ะใส่หูฟังไว้มันอาจจะเป็นบรรยายจากการคิดก็ได้ค่ะมันก็บอกว่าเออใช่ฮหแล้วตัวเรามันมีอะไรล่ะมันก็ไม่มีจริงแต่หนูเป็นสองครั้งอะคะ่ะมันมันจะมันน่าจะเป็นจากการคิดใช่ไหมคะไม่ใช่การไม่เป็นไรนะคิดอย่างนั้นก่อนก็ได้ค่ะต่อไปมันเห็นเองแหละเห็นเองใช่ไหมคะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะก็คื อ, คอ หนูว่ามันจิตมันเดือ้อะหลวงพ่อคือเขาทำบริกรรมเนี่ยค่ะการบริกรรมเนี่ยกับพุทธโธ ห, หนูเคยเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายทีแล้วคาว่าพุทธโธคิดว่าเตงนา่าจะเหมาะ ก, กับพุทธโธทีนี้จิตมันก็ไม่ยอมลงสัทีกับกับพุทโธกับหายใจเข้าออกะคะ่ะลมหายใจมันก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ยังคิดว่าเตงเหมาะ ก, กับลมหายดูลมนะเอ๊ะไม่ใช่มันน่าจะเป็นพุทโธก็อยู่กันอย่างสองกันอย่างเนี่ยค่ะ มันมันเหมือนกับวุ่นวายอยู่มันเหมือนไม่ตกลงใจตั้ทีว่าเหมาะกับอะไรหนูก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาว่าจริงๆแล้วหนูเหมาะกับอะไรกันที่ทําอยู่ตอนเนี้เหมาะแล้วเหมาะแล้วใช่ไหมคะออ่ะไปทำต่อค่ะเพราะบางทีมันก็พูดโทเอ๊ะมันเป็นพาละหรือเปล่าอยู่กับพูดโธรเป็นแต่ต้องทําไว้ก่อนหรอคะออสแสดงว่าควบคู่กันไปได้ได้ใช่ไหมคะออที่ทําอยู่ตอนนี้น่าใช้ได้ไปทําอีกไปค่ะอขอบคุณค่ะกาวน้ำซ่าน การนมรสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านนะครับก็เห็นการทํางานของปัจจัยเหตุผลรูปนามส่งไปส่งกันมาเยอะขึ้นนะครับแล้วกเ็เริ่มรับรู้ของการเอานามไปคว้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอะไรนะเอเห็นนามเห็นแว๊บๆแล้วคว้าตัวคว้าตนขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> นี่แหละความเป็นตัวเป็นตนก็เกิดนะครับก็ดีแล้วละ่ะแต่จิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะ จิตต้องเข้าฐานมันบางทีดูจิตดูใจไปแล้วจิตมันกระจายกว้างออกนอกไปหน่อยนะก็ให้เรารู้ทันมันไม่ทวนเข้ามาข้างในมันไม่ทวนเข้ามาตอ น, ตอนทำกรรมาฐานนั่งสมาธิเอ่อทำสมาทานนะครับก็ได้ความสว่างเป็นอารมณ์ะครับให้เรารู้ทันนะถ้าจิตเราไหลไปอยู่ในความสว่างให้รู้ทันนะถ้าจิตยินดีในความสว่างก็ให้รู้ทันอีก สว่างแล้วก็จายกว้างเกินไปนี่ก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับมันถูกนะมันถูกของสมถะแต่เสร็จแล้วจิตมันไม่เข้าบ้านมันเลยกว้างออกไปอยู่งั้นค้างอยู่ข้างนอกตอนเนี้ยลองย้อนมาดูจิตตนเองซิรู้สึกไหมมันไม่เข้ามันเหมือนกับมันจะได้คล้อไปเรื่อยๆใช่ไหมกว้างเกินไปมันจะออกนอกไปนะครับแล่นให้รู้ทันว่าจิตออกนอกนะแล้วไม่ค่อยเข้าเองอย่าดึงถ้าดึงเราจะอึดอัด แค่รู้ทันว่าตอนนี้จิตกระจายกว้างไปคือเรายังไม่ชํานาญพอเราภาวนามันว่างๆโล่งๆอย่างนี้นะเรานึกว่าดีนะแล้วมันไปต่อไม่ได้จะไปต่อไม่ได้นะถ้าทวนกระแสกลับเข้าม า, ามารู้กายมารู้ใจนะถ้ามันกว้างจะมาดูจิตมันไม่ยอมแล้วก็มาดูกายไว้ก่อนอนะย่างเราจะค่อยๆกลับเข้าบ้านอือครับอันนี้ก็อยู่ในรูปแบบมากเกินไปหรือเปล่าครับ อยู่ในรูปแบบมากนั่นทำไปรูป<ห>แบบนะ่ะดีแล้วที่ทําอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีครับเพียงแต่ว่าพอจิตมันตามแสงออกไปแล้วมันไม่กลับบ้านมันไปค้างอยู่ข้างนอกงั้นก็กลับมาดูกายสิครับอเออกลับมาดูกายคครครัับบจะได้เข้าบ้านอการนักษากครั บ, รบพอดูกายได้เดี๋ยวก็ดูจิตได้งักลับเข้ามาเดีย่ยตอนเนี้ยถ้าจงใจจะดูจิตนะมันจะหนีออกไปจะเด้งออกนอกไปมันไม่เข้าอ่ะ นมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะเริ่มทํามาประมาณสี่เดือนค่ะแล้วก็เริ่มจากจิตไหลไปคิดก็รู้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะมากมแล้วก็ช่วงหลังๆก็จะเห็นว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเรื่องนึงมันคิดต่อไปประมาณห้าหกเรื่องะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังดีนะรู้บางคนคิดไปถึงเย็นยัไม่รู้เลย แล้วก็ทำในรูปแบบพยายามทำทุกๆวันนะคะแล้วก็รักษาสี่ห้าซึ่งยากมากแต่ก็พยายามอยู่แล้วก็ช่วงที่เริ่มทำแรกๆมันจะติดแน่นมากค่ะเพราะว่าเหมือนค ง, จจงตั้ ง, นะจงใจนะใจมากก็แน่นธรรมดาต่อไปก็ค่อยเบานะค่อยเบาไปเองแต่ตอนนี้มันก็กเบาขึ้นแต่ว่านั่งฟังหลวงพ่อนี่ก็มีก็มีแน่นเหมือนกันนะคะแน่นนะเพราะว่ายกมือถ้าไม่ยกมือก็จะเบากว่านี้ นีอยากถามว่าจะมีการบ้านอะไรต้องไปทําต่อหรือเปล่าคะก็ไปทําต่อสินะไปฝึกรู้ฝึกดูไปจิตฟุ้งซ่านแล้วให้รู้ทันนะเป็นคนฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านค่ะเออนะให้ไปรู้เอานะนะเราเราฟุ้งซ่านเราก็รู้เอานะทําสมาธิทําอะไรได้ก็ทําไปให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรง ม, มีเครื่องอยู่ถ้าจากนั้นจิตมันหนีไปทําอะไรเราก็รู้ทันเอานะไม่ยากอะไรอย่างนี่ กราบหลวงพ่อนะค ะ, ะขอส่งกันบ้านในรอบที่ไม่ได้มาส่งหลวงพ่อประมาณปีกว่าแล้วนะคะทีนี้ก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกมันกระจายกระจายค่ะหลวงพ่อไม่รู้ถูกว่าเออตัวเก่งถ้รู้นะ <c oughs> คือดูดูได้อะเก่งแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่าตัวเอง ก, กับกับการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอะไรมันก็เหมือนห่างๆไปนิดๆ น, นะคะน้าหลวงพ่อไม่ไม ก็คือห่างๆออกไปแล้วก็บางทีเหมือนความสนุกหรือความสุขอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยอินเะไรไม่มีเลยนะมันจืดๆนะค่ะมันมันจืดๆอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อทีนี้ก็แต่หนูจะมีปัญหาในาทำสมถะค่ะคือตั้งแต่เรียนกับหลวงพ่อมาเนี่ยค่ะหนูก็ยังทำสมถะไม่ไม่ได้เลยอะค่ะ จะมีปัญหาเรื่องทำได้ทําไม่ได้ก็ทํานะะหนูก็พยายามทําไปทุกวันไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระเจ้าไปเลยเขาได้สมาตาแล้วล่ะคือหนูเห็นบางคนเขานั่งสมาธิกันนานๆแล้วก็ลิงอะไรเออช่างก็เถอะนะคนทําสมาธิยุคเรามีไม่มากอ่ะทีนี้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำหนูเพิ่มรู้ทําในรูปแบบไปนะสงบก็ทาฟุ้งซ่านก็ทําเราถือว่าเราทําบูชาพระพุทธเจ้า ทำไปเรื่อยนะมันฟันนึงมันก็รวมลงมาเองแหละค่ะหนูหนูก็คิดอย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะว่าสมาธิไม่พอใช่ค่ะคือพอนั่งพอนั่งแล้วเนี่ยมันมันจะฟงมากเลยค่ะหลวงพ่อมันแล้วมันจะคิดทีนี้ถ้าหนูหนูก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติหนูนั่งแล้วก็มันคิดเนี่ยหนูดูตัวที่มันคิดได้ไหมคะหลวงพ่อได้ถ้าดูตัวจิตรู้ว่าจิตกาลังคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆนะพามันคิดเลยแต่แทนที่จะให้มันคิดสเปซสปาะนะกำหนดหัวเรื่องให้มันคิด เนี่ยคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้หนูมีมีมีอยู่ขึ้นหนูจะเป็นหลายครั้งก็คือว่าเวลาหนูนั่งเนี่ยแล้วก็หนูไม่ได้หลับตานะคะแล้วก็จะมองไปที่กระจกพ่อนั่งจอตรงกระจกอ ะ, ะของหลวงพ่อทีนี้เวลาหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเรามองอะไรเนี่ยสายตาเรามองปุ๊บเนี่ยมันจะเบลอใช่ไหมคะคือของหนูเนี่ยมันจะไม่ได้เบลอแต่ว่าหน้ามันจะเป็นเละเละทุกครั้งเลยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อคือมันจะเป็นหนูก็เลยไม่รู้ว่า ตาหนูมันเบลอเองหรือว่าหนูก็พยายามขยับขยับตานะคะกระพริบกระพริบตาให้มันให้มันดูให้ชัดชัดแต่มันก็จะเป็นเล ะ, เละๆค่ะหลวงพอ่อหนูควรจะทำนั่นแหละมันดูมนไม่ได้ชัดหรอกเป็นธรรมดา อ, นนอันนั้นไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้<อ>เป็ น, นอะไรไปทําต่อนะปัญหาตอนนี้เหลืออันเดียวแหละแล้วใจมันยังฟุ้งอยู่นะเพราะเราก็หัดพุดโทโธไปอะไรไปสงบกพ็พุโทโธไม่สงบกพ็พุทธโธไม่ใช่พุโทโธเพื่อจะบังคับจิตนะ พุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็พุโทโธตอบไปอีกจิตฟุ้งซ่านอีกก็รู้อีกฝนะึกไปเรื่อยๆนะจะได้กําลังกลับขอบคุณครับหลวงพ่ อ, อสวัสดีครับนี่ครั้งแรกอะครับทีนี้คงเรียกว่าส่งกันบ้านได้คงจะปรึกษาครับหลวงพ่อพอดีมาจากบริษัทเอสโซนะครับคื อ, อก็พยายามคือเคยฟังของหลวงพ่อที่ทางบริษัทมาครับ ดูจากซีดีนะครก็รู้สึกศรัทธานะครับแล้วก็คิดว่าการฝึกของหลวงพ่อเนี่ยคือทําให้มันมันง่ายทีนี้ก็เลยมีคําถามนะครับว่าจากที่ฟังของหลวงพ่อมาครับว่ามีการกําหนดพุโทโธเป็นจิตให้ตั้งมัน่นใช่ไหมครับแล้วก็มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้ก็คื อ, อได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็มันมีบันไดขึ้นไปประมาณสักผ่านกว่าคัน ถ้าโดยปกติแล้วเดินขึ้นไปธรรมดามันก็จะเหนื่อยแล้วก็เดินไม่ถึงก็จะปวดตามร่างกายในในวันนั้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับประเดี๋ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ได้ลองที่จะฝึกของทางหลวงพ่อนะครับก็เลยกําหนดจิตแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วพอมันเมื่อยปุ๊บเนี่ยก็ให้รู้ว่าอ่ะมันเมื่อยและวอุย้ยเหนื่อยมากเลยแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองอืแล้วก็ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆจน ไม่ได้หยุดเลยอจนขึ้นไปถึงเกือบจะสุดนะฮะเราก็เหนื่อยจริงๆก็เลยพักอืก็เลยไม่รู้ว่าการที่เรากําหนดจิตแบบนั้นเนี่ยคือพุทแต่คือขณะที่ขึ้นน่ยรู้ว่าเหนื่อยอะนะครับแต่ก็ยังพุทโทพุทโทขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่ในสมาธิะนะครับแล้วก็รู้ว่ามันหายไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มอีอารมณ์อื่นเข้ามาคืออมีความสุขบ้างเวลาไปเจอ ตอนมันร้อนมันขึ้นมันร้อนนะฮะแล้วมันก็ไปเจอลมอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วก็แบบรู้ว่าฝึกนะฝึกไปได้พุทธาไปแล้วก็นดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆอนั้นใช้ได้นะครับมาถูกทางเลยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเหนื่อยก็พักนะเดี๋ยวปวใจไว้เลยหลวพ่อนี่นะไปเห็นบรรดายิ่งสูงหลวเพาะไม่เหนื่อยหรอกเราไม่ขึ้นซัอย่าง นมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยากจะขอคำปรึกษานะคะว่าตัวเองควรจะใช้วิหารธรรมอะไรดีเพราะว่าใจค่องท่องคิดมากไหมฟุ้งฟุ้งเยอะนะฟุ้งเยอะมากอฟุ้งเยอะนะเราท้องพุทโธไว้ในใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจฟุ้งซ่านแล้วถ้าดูลมหายใจได้ไหมคะอะไรก็ได้นะแต่คอยรู้ทันจิตไหมค่ะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกฟุ้งซ่านนี่ก็คือรู้ทันจิต จิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วหายใจไปแล้วจิตมีความสุขก็รู้หายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้อะไรอย่างนีน้หายใจแล้วรู้ทันจิตบ่อยๆนะมันก็ค่อยเชื่องขึ้นมาค่อยสงบแล้วในรูปแบบนี่ก็ต้องปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะคือควรจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอะคะ่ะถนัดเดินไม่ล่ะไม่ค่อยขยันเดินเลยคะ่ะเอางั้นก็นั่งดูไปนั่งหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปค่ะ จะเดินก็เดินหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปถามเรื่องศีลนิดนึงนะคะอย่างสมมติว่าทํางานแล้วสมมติว่าออชอบชอบโกรธลูกน้องอะคะ่ะแล้วอย่างคําพูดที่พูดออกไปเวลาโกรธเนี่ยถือว่าศีลเราขาดใช่ไหมคะใช่เราไม่ประกอบด้วยความเมตตาแล้วนะเราอยากทําร้ายเขาไหมถ้าอยากทําร้ายเอาให้สะใจแล้วศีลขาดและขอบคุณมากค่ะอีกหน่อยก็ดีนะ ถ้าหัดดูใจของเราเรื่อยอีกหน่อยลูกน้องจะบอกหัวหน้าเพี้ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ดีจังเลยอย่างเงี้ยมีนะบางคนนะลูกมาเข้าคอร์สนะแล้วลูกเปลี่ยนเคยเที่ยวใช้เงินเยอะๆลูกก็อยู่บ้านอนะไรเงี้ยช่วยทํางานบ้านแรกๆแม่ก็ดีใจนะพอหลายวันก็แม่เป็นห่วงว่าลูกมันเพี้ยนหรือเปล่าความจริงแม่มันเพี้ยนลูกมันเพี้ยนนะละ นมาส ก, การหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบหกเดือนนะครับการบ้านครั้งที่แล้วคือหลวงพ่อให้ไปดูลาคับครับครับถ้าอารมณ์ราคัไม่แรงเนี่ยผมจะดูไม่ได้ไม่ชัดครับแต่พอถ้ามันแรงๆเนี่ยเวลามันกระทบใจครับแล้วมันสร้างความทุกข์เนี่ยพอที่มีสติดูได้ครับ อ, อารมณ์แรงๆส่วนใหญ่ดูได้ครับแต่อารมณ์อ่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมหะครับต่อไปเราก็รู้ไปเรื่อยนะมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อย ฝึกไปได้อยจะเห็นของละเอียดละเอียดกระทั่งแค่ร้อนๆนะลมพัดเย็นๆมาเนี่ยจิตมีราคาเลยเล็กๆราคาตัวเล็กๆแล้วก็ค่อยรู้เอาให้ฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้บางครั้งครับเห็นว่าใจเป็นของไม่ใช่ตัวเราครับ เ, ออเขาเขาเขาทำงานไปแต่ดูอีกทีนึงก็คือใจมันยัง มันยังอ่อนโปล่เปียกหมายถึงว่ามันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้พอสมควร<ม>ครับบางครั้งเวลาดูใจเป็นนานๆเนี่ยกําลังตกลงครับแต่ผมยังทําสมถะได้ไม่ชํานาญครับห<ม>ลวงพ่อครับใช้วิธีในการในการฟังธทำได้ครับฟังทำมากก็ได้น ะ, ะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับหลวงพ่อครับตอนนี้กําลังดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอขาดอีกไม่มากหรอกนะ งั้นเราก็ทำใจให้สงบใจอยู่กันเดกกตัวไปจะใช้ฟังซีดีแล้วก็คอยรู้สึกเอาก็ได้แต่ถ้าฟังเพลินเพลิไม่ดีนะเดี๋ยวขาดสติฟังแล้วก็คอยรู้สึกใจเผลอไปแล้วรู้เผลอแล้วรู้จิตจะได้ตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงขึ้นมาแล้วก็แยกขันดูขันขันมันเริ่มแยกแล้วเดียก็ดีแล้ว การปฏิบัติในครั้งเมื่อกี้นี้เนี่ยผมรู้สึกตัวว่าครุกไวอยู่กับทางโลกมากครับแต่แปลกครับรู้สึกว่ามีความรู้ความเข้าใจทางทางโลกมากขึ้นครับอย่างนี้ถือว่าผมยังอ่อนในปฏิบัติหรือเปล่าครับไม่อ่อนหรอกนะภาวนาไปอยู่กับโลกก็อย่างนั้นแหละอมีโอกาสไหมครับหลวงพ่อครับมีสิถ้าทําถูกหลักก็มีทุกคนแหละถ้าทําผิดนะมันมีทางอย่างเพ็งนั่งเพ่งเนี่ยแล้วบอกเมื่อไหร่จะบรรลุ เลิกเพ่งก็คงใกล้การบรรลุะอะยังเพ่งอยู่ก็ไม่บรรลุใครรู้ทันได้ๆนะใจกําลังยังไม่พอได้สมถะช่วยจะดีมากเลยกล่าวนมันสการหลวงพ่อนะคะคือขอโอกาสส่งกันบ้านค่ะคราวก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตมันออกไปสว่างข้างนอกอะค่ะไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นหรื อ, อยังอะค่ะแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะหรูก็ว่ามันน่าจะดีขึ้นก็หลวงพ่อก็ว่าอางั้นแหละ ว่าอะไรว่าตามกันแล้วก็ปัญหาของหนูคือจิตมันฟุ้งซ่านมากะคะ่ะอืะแล้วพยายามจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแต่มันก็ก็ลืมลมหายใจทุกทีอะคะ่ะไม่ทราบตรงนี้มันมีวิธีไหนแก้จะทําทให้มันหยาบขึ้นหายใจไปด้วยพุทธโธไปด้วยก็ได้พุทธโธด้วยใช่ไหมคะอืก็ลืมด้วยเหมือนกันฮะยังลืมอีกเหรองั้นนับอีกหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับหนึ่ง พูดโทรนับสองอะไรย่างเงี้ยลองค่ะเดี๋ยวลองไปทำดูน ะ, ะลองดูนะถามนิหนูมีปัญหาแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้สงบน ะ, ะทำไปเรื่อยแล้วมันสงบของมันเองถ้าอยากสงบไม่สงบแร้วคือทาแบบอย่าให้แข็งเกินไปน ะ, ะระวังจะแข็งเกินไปคือหนูมีเรื่องสองสัยอยู่สองเรื่องนะค ะ, อะตอนเวลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับว่า เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองกลวงๆอะค่ะเออนั่นน่ะปกติอันนี้ไม่รู้ว่ามันรู้รู้จริงหรือว่าคิดไปเองรู้จริงๆแหละจริงๆมันกลวงอันนี้คือลักษณะของการแยกขันใช่ไหมคะเราก็เห็นนะร่างกายมันส่วนหนึ่งนะเป็นเปลือกกลวงๆแล้วทั้งนั้นก็เริ่มแยกขันได้แล้วแล้วเอมันจําเป็นต้องแยกให้ได้ทั้งห้าขันเลยหรือเปล่าคะถึงจะได้แยกได้เองแหละมันจะค่อยๆแยกใช่ไหมคะ เรื่องหนึ่งคือว่าไม่ไม่เข้าใจสภาวะที่ว่ารวมอะคะ่ะอะไรรวมลนะ่ะเหมือนกับว่าจิตมันรวมที่ว่าชอบพูดนั่นเรื่องของสมาธินะค่ะคืออย่างเวลานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนกับครึมเครือเหมือนกับกำลังจะง่วงแต่ก็ข้างในมันก็รู้สึกอย่างนี้นะค่ะอันนั้นถือว่ารวมหรือเปล่าคะนะแล้วรวมหน่อยๆแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะ ทำให้สม่ำเสมอนะทำทได้ดีแล้วก็ทำให้มากๆทํทำบ่อยๆระวังอันเดียวอย่าไปบังคับจิตจนตึงเกินไปนะขอบพระคุณค่ะกลับมานาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เจ้าค่ะก็ส่งกันบ้านในรอบหลายเดือนเจ้าค่ะไม่ทราบว่า ลงทางไปหรือเปล่าเจ้าค่ะอืมเล่าอะไรหน่อยสิก็มีรู้สึกว่ากายจะหายไปเป็นบางครั้งแล้วก็จิตเนี่ยคิดว่าดูได้มากขึ้นเจ้าค่ะอืไม่ทราบว่าถูกทางแล้วหรือยังเจ้าค่ะให้หายไปแล้วยังมีสติอยู่ไหมรู้คิดว่ายังมีอยู่เจ้าค่ะถ้าร่างกายหายแต่ว่ายังไม่ได้ลืมตัวไปนะใช้ได้ กายหายก็ช่างมันเราก็รู้จิตต่อไปะก็คอยรู้พอประเดี๋ยวก็มีกายขที่มาอีกเดี๋ยวจิตก็อยากเพื่อมาอีกนึงก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆก็ทําได้อยู่อย่างนั้นอถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆนะแล้วจะพบว่าไม่ถูกสักทีไอ้ตรงเนี้ว่าถูกแล้วนะอดีขึ้นแล้วนะต่อไปก็พบว่ามันไม่ใช่อีกอันนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ เราจะต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะเรียนรู้รู้ทันจิตไปเรื่อยนะจิตดีจิตร้ายจิตสุขจิตทุกจิตเป็นกลางจิตไม่เป็นกลางรู้ทันไปเรื่อยแล้วมันค่อยพัฒนาไปเองแหละเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบคุณค่ะกับานาสการเจ้าค่ะอย่าไปกังวลนะว่าเรื่องภาวนาถูกภาวนาผิดภาวนาไปเรื่อยๆขอให้มีสติรู้เท่าทันจิตไปเรื่อยไม่พลาดหรอก ครูบาอาจารย์เคยสอนนะได้จิตก็ได้ทำนะถึงจิตก็ถึงทำทิ้งจิตนะลืมจิตก็ลืมทำเไยนะนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมานานมากแล้วค่ะเห็นกิเลสหรือยังเห็นค่ะเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเห็นไมว่ากิเลสจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เห็นค่ะแล้วก็ไล่มันก็ไม่ไปดูออกไหมดูออกค่ะความสุขความทุกข์ก็สั่งไม่ได้ดูออกค่ะเออนะ ดูอย่างนั้นแหละดูไปเรื่อยๆ ก, ก็เป็นรุ่นที่ฟังเกี่ยวกับว่าไอติมอร่อยไหมอะไรอะค่ะแต่ก็มีความรู้แค่ตามรู้ทันทีตแต่มรู้อะไรนะตามรู้ทันทีอะค่ะสมมุติอะไรเกิดขึ้นให้ตามรู้ทันทีก็ก็ได้อะค่ะทำทีละสัญญาได้ก่อนที่จะรู้คําศัพท์อะค่ะดีแล้วก็ปัจจุบันมาถึง เวลาตามรู้ปุ๊บแล้วก็มันก็ดับเป็นอย่างนี้มานานพอสมควรแล้ ว, ลวะคะ่วะแต่ว่าก็เลยเกิดกิเลสหรือความโลภก็ไม่ทราบค่ะว่าจะทํายังไงต่อหรือจะให้รู้ลงปัจจุบันไปนะใจมันปรุงความโลภเพิ่มมาแล้วก็รู้ไปก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปก็เท่านั้นแหละเห็นจนใจมันยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย เคยเห็นจิตเกิดดับไหมเห็นค่ะเออ่งนั้นอาจะเอาอะไรอีกล่ะก็ภาวนาไปด้วยดีจิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงค่ะแต่ถ้าปกติบางจิตตอนนี้มีกิเลสอะไรไหมมีปร่มาค่ะเออนอกจากประม า, ะบบะ ม, ามีอะไรอีกไหมสว่างไหมหรือมืดหรือมัวมั ว, มวค่ะอ๋อนะมีโมหะแทรกแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นค่ะนะ ไม่หัดรู้ไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นเลยไม่มีตัวเราความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกค่นะดูซ้ําๆไปก็ซ้ําไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่มับไม่ใช่อย่าท้อใจอย่าขี้เกียจจะมันเวงวางอะค่ะนะให้รู้ทันความรู้สึกที่เวิร์งวางนี่นะค่ะมันยัครอบงําจิตอยู่ความรู้สึกตัวเนี้ยค่ะให้รู้ทันอย่าให้มันครอบงําจิตได้ดูไปค่ะอย่างกระปรีก้กระเปราหนะ่อยเข้มแข็ง อย่าให้ความตัวนี้ยมันครอบจิตเลยครดูแล้วออน่าเบื่อไปหมดเลยเนะี่เวงวางอะไรเงี้ยตัวนี้มันยังครอบงำจิตอยู่ใช่ค่ะอนะให้รู้ทันมันจะปล่อยให้มันครอบงํำครับน้ำมั น, นสมการหลวงพ่อครั บ, รบก็มาส่งการบ้านในรอบสองเดือนครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตผมยังไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ฮะก็หลังจากนั้นก็พยายามไปปฏิบัติ พยายามไปดูที่หลวงพ่อพูดตอนนี้เข้าใจว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะจะเดินปัญญาไม่ได้อแต่ถ้าเกิดว่าจิตตั้งมั่นมันก็ตั้งของมันเองคะัใช่มันตั้งเองนะครับแล้วตั้งเองแล้วตูกขันมันแยกออกไปมันทำงานของมันเองอีกครับครับพอตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมันก็จะไม่ ไม่เหมือนเดิมนะฮะมันก็จะรู้สึกว่าอะไรเข้ามามันก็จะไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมเออดีนะครับมันก็จะกระจายกระจายไปตอนนี้จะสอบถามหลวงพ่อเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ทุกเช้าเนี่ยพยายามจะตืต่นมาทุกเช้าอะไรน ะ, ะทุกเช้าพยายามจะตืต่นมาทําในรูปแบบตอนเช้าครับ<อ>ประมาณเดินสักหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะครึ่งชั่วโมงแรกก็ยังจะยังเป๋ๆไปเป๋เปปเปปมาฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพอมันตั้งมัน่นก็จะตั้งมั่นได้เอง แล้วก็จะพยายามให้ใหพยายามสังเกตจิตที่มันไหลหรือว่ามันมันไม่ตั้งมั่นนะครับพยายามจะจะตรงนั้นเนี่ยเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อมาดูอะครับผมแล้วก็ใช้วิหารธรรมขยับตัวแล้วก็รู้สึกไปเรื่อยๆครับไปทำอีกสินะครับผมจิตถึงฐานไหมขนาดนี้ขนาดนี้น่าจะยังไม่ถึงนะครับ รู้สึกว่าไม่ปกติเท่าไห ร, ร่ฮะจิตมีกำลังไหมมีกำลังมีกำลังอยู่ครับไปทำต่อนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับเอาหมดแล้ววันนี้นะเชิญกลับบ้าน